นะโมจตสัพพวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะสะัจนะโมจตสัพะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะสะัจนะโมจตสัพะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะสะัจสติมาสุขเมทะตีตีคนมีสติย่อมได้รับความสุขฟังธรรมะตามสบายฟังแบบกันเองอัตมามาพูดครั้งนี้ก็ครั้งที่สามแล้วพวกแม่ อ, อ้ออาจจะเคยได้ยินอัตมา พูดมาก่อนปีนี้หลวงพ่อท่านก็ได้รับสังขารไปแล้วไม่ดีหลวงพ่ออยู่แต่ล่องรอยในอดีตยังอยู่หลวงพ่อยังอยู่กับเราตลอดเหมือนหลวงพ่อยังไม่ตายยังอยู่กับพวกเราทุกวันอตมาก็แต่งกองให้หลวงพ่อกอง น, นึงเป็นกอแรกของชีวิตอตมาท่องญาติโยมฝัง78ปีผ่านไปไม่ไร้ค่า ทุกเวลาทำประโยชน์ไม่อยู่เฉยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ละเลยไม่วางเฉยทั้งทางโลกและทางธรรมทำให้ดูอยู่ให้เห็นเช่นนั้นด้วยถึงยามป่วยก็ไม่ทุกข์สุขสดใสจิตยิ้มเองไม่เสียแส้งแกล้งหลอกใครสิทธ์ทั้งหลายน้อมใจกาบวันทา ความคิดเปรียกเหมือนหมาสติเปรียบเหมือนช้างหมาเห่าช้างไม่มีทางช้างหวั่นไหวรู้ซื่อเห็นแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรรู้ความคิดจิตอยู่เหนือโลกกระทำหลวงพ่อป่วยเพียงกายใหญ่ไม่ป่วยบอกสิทธิ์ด้วยมันไม่เที่ยงอย่ามัวหลง อย่าประมาทในวัยอาจตอมตมรีบฝึกสติรู้สึกตัวก่อนสายเอย่ยอันนี้เป็นกอ่อนแรกในชีวิตเรมาแต่งบูชาครูหลวงพ่อทำไมพวกโยมถึงต้องมาเจอสติสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็อยู่ในโลกของความคิดปรุงแต่งแล้วก็นำมาสึ่งความทุกข์สังเกตนะคนไม่มีสติเนี่ยจะทำตามใจตัวเอง เวลาคิดอะไรบางครั้งก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องจริงทั้งที่เรื่องไม่จริงก็เป็นเรื่องจริงได้แต่ถ้ามีสติความคิดต่างๆมันก็มาแล้วมันก็ผ่านไปมันก็ไม่ทมให้เราทุกข์นั้นพวกญากกติโยมเรงฝึกสติคนไม่มีสติบางครั้งในครอบครัวเรามีปัญหาเมืเ่เจอเพื่อนร่วมงานหรืออยู่ในสถานที่ต่างๆมีปัญหาหมดอะแต่คนที่มีสติ เรื่องล้ายก็กลายเป็นเรื่องดีได้อันนี้มีข้อต่างกันมากแถนสติเนี่ยยังช่วยเราทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กจะถึงเรื่องใหญ่แม้แต่ยามตายก็ต้องอาศัยสติเป็นเพื่อนอันมาจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้อยเธอแต่งงานไปอยู่บ้านสามีสามีเป็นคนจีนเธอก็มีความสุขเพราะไม่ถูกชะตากับแม่ผัว แม่ผัวก็ไม่ชอบพี่นาเธอเท่าไหร่คือท่าไม่ตรงกันคือทําอะไรนิดอะไรหน่อยก็หวัดระแวงซึ่งกันและกันบางครั้งกระโดดแม่ผัวบนจุกอีกยูจี้พอนานๆเข้าครอบครัวก็ไม่มีความสุขสามีเธอก็ไม่รู้จะทำไงนั่นก็แม่นี่ก็ภรรยาเพราะว่าความคิดไม่ดี ข, ของของน้อยหนักๆเข้า จนถึงนิสุดเนี่ยเธอก็หาทางออกด้วยการไปหาซึ่งไปเพื่อนพ่อชื่อว่าลุงคาซึ่งมีอาชีพขายยาสมุนไพรไปถึงก็ปรับทุบเล่าเรื่องต่างๆให้ลุงคาฟังตอนนี้เธอคิดจะฆ่าแม่ของสามีโดยขอให้ลุงคาช่วยให้หายาพิษที่ร้ายแรงสักชุดหนึ่งจะไปนำให้แม่ผัวทางลุงคาก็ นั่งคลิกหรือพักหนึ่งวกก็ได้แต่เธอจะต้องทําตามที่ลุงบอกนะว่าแล้วก็เดินไปหยิบสมุนภพยมาหอนหนึ่งแล้วก็บอกว่าตั้งแต่นี้ไปเธอจะต้องดีกับแม่สามีนํายาเนี่ยผสมอาหารให้แม่สามีทานวันเว้นวันทําอาหารอร่อยๆให้แม่สามีทานเพื่อจะได้ไม่ให้คนสงสยัย แล้วเวลาแม่สามีใช้ทําอะไรก็ให้ทําตามแล้วอย่าไปเถียงเพราะว่าถ้าเกิดแม่สามีตายคนจะได้ไปสงสัยเธอร้อยพระรับปากเพราะอยากให้แม่สามีตายเธอก็ทําตามทันถึงบ้านเธอก็เริ่มประจบแม่สามีโดยการที่ทําอาหารอร่อยๆให้แม่สามีทานแล้วก็ประสมยาลงไปด้วยแล้วเวลาแม่สามีใช้ทํางานอะไรเธอก็ทําไม่บน่นไม่เถียง ตอนนี้กายเป็นคนว่านอนสอนง่ายจากตอนแรกที่เกลียด ก, กันมาตอนหลังเนี่ยกลายเป็นแม่สามีก็เริ่มชอบเธอเริ่มคุยดีเวลาเพื่อนบ้านมาเยี่ยมหรือญาติมาเยี่ยมก็บังคัชมให้เพื่อนบ้านฟังว่าน้อยเนี่ยเป็นลูกสะพ้ยที่ดีหายากตอนนี้ครอบครัวก็เริ่มมีความสุขกายเวลาผ่านไปหเดือนตอนนี้น้อยเริ่มทุกข์ใจแล้วเพราะกลัวแม่สามีจะตาย พอใส่ยาให้กี่วันนึงวัน <c oughs> ก็เลยรีบไปหาลุงคําเพื่อจะหาทางแก้ไขลุงคําเห็นเธอมาก็พูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มยิ้มใสบอกว่ายาที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่ยาพิษหรอกเป็นยาวิตามินบํารุงยาพิษที่แท้กี่ก็คือจิตใจที่คิดร้ายของเธอนี่เองแต่ตอนนี้ได้รับการชาระล้างแล้วด้วยความรักตอนแรกก็เป็นความเกลียดเพราะหลังเปลี่ยนเป็นความรัก ก็เลยครอบครัวเลยกลับมามีความสุขอีกครั้งนึงเพราะว่าน้อยก็รักแม่สามีเหมือนแม่ตัวเองแม่สามีก็รักน้อยเหมือนลูกของตัวเองก็เลยอยู่กันแบบราบรื่นอันนี้เราเห็นได้เลยว่าชีวิตคนเราเนี่ยในครอบครัวเนี่ยบางครั้งอาจจะมีการเข้าใจผิดก็ได้อาจจะมีการละแวงกันบางทีคิดตัวเองแต่ถ้าเราจริงใจก่อนพูดดีด้วยก่อนเขาก็ดีต่อเราแต่ถ้าเรามีปฏิกิริยาไม่พูด บางทีก็ดูเหมือนหญิงบางทีมันก็คิดตัวเองปรุงแต่งเกินความเป็นจริงเพราะคนที่ไม่เจริญสติหรือไม่สุขสติเนี่ยมันจะคิดอะไรแบบเอาเองอย่างอาตมาก็เป็นจากประสบการณ์นะหรือคนรอบข้างเนี่ยบางครั้งเราเผลอไปพูดถึงคนโน้นคนนี้หรือดินทาถ้าเรามีสติปุ๊บมันก็จะหลุดจากอารมณ์นั้นเราก็ไม่ปรุงแต่งต่อหรือโกรธอารมณ์โกรธเนี่ยถ้าเราบีสติ เราหลุดออกจากอารมณ์นั้นได้ไม่ตกไปท่าผ่อนลมแต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันก็โกรธหนักยิ่งขึ้นอย่างพญาจจเกวมตอนนี้อาลมดีๆนะสมมติถ้าเราไปคิดเรื่องที่แย่ๆคิดถึงเรื่องคนเคยด่าว่าเราคนเคยดินทาเราหรือไปนึกถึงหน้าคนที่เราเกลียดสักพักหนึ่งเนี่ยลมที่ดีจะเปลี่ยนทันทีเลยจะเปลี่ยนแปลอารมณ์เสียก็ได้เพาราะความโกรธหรือจิตที่ไม่ดีมันจะมาครอบงําเรา แต่ถ้าคนมีสติปุ๊บมันจะหลุดออกไปทันทีนั้นคนที่ฝึกสติกับคนไม่ฝึกอยู่ทีข้อต่างกับตรงนี้แบบว่ารู้เท่าทางอารมณ์ได้ชีวิตก็ไม่ค่อยทุกข์หรือมีทุกข์ก็ทุกข์น้อยมีหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งชีวิตท่านก็มีความสุขหลวงพ่อองค์นี้ถ้าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่ที่จังหวัดอุดอรมีอยู่วันหนึ่งลูกศิษย์ มันนี่มนท่านไปเทศและฉันเพนหลวงพ่อก็อรอลูกศิษย์ไม่เห็นมาสักทีตอนแรกตั้งใจว่าจะไปฉันอาหารที่นู่นทีเดียวเลยหลวงพ่อก็บอกอย่างนี้ฉันอาหารก็ราดีกว่าฉันอาหารก็ราก็ดีเนาะท่านก็นําอาหารมาฉันฉันไม่ได้ไม่กี่คําลูกศิษย์ก็นํารถมามารับแล้วขอโทษขอโพยบอกว่ารถเสียต้องซ่อม ทำให้มาช้าหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะไปฉันบ้านงานก็ดีท่านก็นั่งรถไปพอรถวิ่งไปได้ไไดสักพักหนึ่งรถกระดันไม่ติดคนขับก็ลงไปซ่อมหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะได้ชมยู่ข้างทางคนขับซ่อมยังไงก็ยังไม่ติดสักพักหนึ่งก็มาขอแรงหลวงพ่อให้ช่วย ช่วยเข็นรถหลวงพ่อเนี่ยถ้าเป็นเป็นพระที่อายุเยอะแล้วท่านก็ยิ้มแยม้มแจ่มใสถ้าบอกว่าก็ดีเนาะจะได้ออกกําลังกายท่านก็ไปช่วยเข็นรถติดวิ่งได้เสียเวลาไปหลายไปนานรถมาถึงบ้านงานก็เลยเวลาฉันเพลแล้วเจ้าภาพก็นิมนต์หลวงพ่อขึ้นธํามะเทศเทศเลยหลวงพ่อ ก็ไม่ว่าอะไรก็บอกว่าก็ดีเนาะมาถึงได้ทาหน้าที่เลยระหว่างที่ท่านกำลังเทศอยู่ก็มีคนชงกาแฟมาให้จะหยิบหยิบผิดคือหยิบเอาเกลือใส่แทนน้ำตาลเพราะวางอยู่ ใ, ใกล้กันหลวงพ่อฉันกาแฟไปได้หน่อยนึงก็พู้อดีเนาะแล้วก็วางธรรมดาครูบาอาจารย์ที่เบเกจิเวลาฉันอาหารเหลือ หรือของที่เหลือเนี่ยลูกศิษย์อยากจะได้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลลูกศิษย์จึงมาขอทานกาแฟที่หลวงพ่อฉันเหลือพอดื่มไปได้คดํานึงก็พ่นพวดออกมาเลยก็บอกหลวงพ่อฉันเข้าไปได้ไงเนี่ยทลีบิบปีหลวงพ่อก็บอกว่าฉันกาแฟหวานๆมานานแล้วฉันกาแฟเค็มๆบ้างก็ดีเนาะคือหลวงพ่อท่านมองโลกในแง่ดีอะไรเกิดขึ้นกับท่านถ้าก็ดีเนาะ มีอยู่ครั้งหนึง่งท่านเดินไปวิทบาทพอเพลินเด็กเด็กกำลังโซนเฟี้ยงก้อนหินใส่กันก้อนหินนั้นก็โดนหัวท่านแตกพวกญาติโยมเห็นก็ไล่เด็กไปแล้วก็มาทําแผลท่านระหว่างที่ทําแผลท่านก็น้าตายิแมแย่หย่าสายท่านมาบอกก็ดีเนาะที่มันไม่โดนตาคือท่านมองอะไรไเป็นแง่ดีบทดด้วความที่ท่านเป็นเกจิีอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุดร มีคนนักถือมากคือคนมองว่าท่านมีลัทธิกรามาก <c oughs> ก็เป็นเหตุให้มีโจรอยู่คนหนึ่งโจรก็ป้นท่านระหว่างที่ท่านกำลังสวดมนต์ไหว้พระอยู่พร้อมเบ็ปืนกระถึงกกบพูดจาข่มขู่หยูดด้า น, นหลวงพ่อนี่คือการป้นมีของมีค่าเท่าไหร่ส่งมาให้หมดหลวงพ่อเห็นโจรชักปืนคูท่านก็ไม่ได้ตกใจอะไรท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใแล้วท่านก็พูดคือว่าป้นก็ดีเนาะ มันก็บอกปอนจะดีเนะได้ไงหลวงพ่อก็บอกว่าทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยค่าเฝ้ามาตั้งนานแล้วเบื่อเอ็งเอาไปสับ้างก็ดีค่าใะ้มาล้งเฝ้าไม่ต้องามาคอยรักษาโจมมันก็บอกว่าฉันน่ยไม่ใช่จะมาป้อนอย่างเดียวก็ฆ่าหลวงพ่อด้วยเพื่อปิดปากเดี๋ยวไมบอกตำรวจหลวงพ่อก็บอกค่าก็ดีเนาะโจมมันก็งงก็ถามว่าค่าจะดีเนาะได้ไง หลวงพ่อบอกว่านี่ยแก่แล้วต้องมาดูแลสังขารที่เสื่อมโทรมมานานเองข่าข้าก็ดีเหมือนกันข้าจะได้มาดูแลสังขารนี้โจนมันก็ใจอ่อนบอกถ้างั้นฉันไม่ข่าก็ได้หลวงพ่อก็บอกไม่ข่าก็ดีเนาะจนก็บอกเอ๊ะข้าก็ดีเนาะไม่ข่าดีเนาะหลวงพ่อจะเอาไงกันแน่หลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเองข่าข่าเนี่ยเองก็ต้องทําบาปได้รับกรรมรับเบญ ตายไปก็ต้องตกนรกหมกไหม้ได้ถึงตำรวจตามจับบางครั้งอาจจะโดนวิสามันหรือติดคุกติดตารางเพราะฉะนั้นเองไม่ฆ่าฆ่าอย่างดีเนาะโจนก็คอยตามเหยียผลหลวงพ่อก็เลยเปลี่ยนใจบอกถ้านั้นฉันไม่ปล้นแล้วก็ไม่ฆ่าหลวงพ่อแล้วและโจนก็จากไปถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะรักษาทรัพย์สินตัวเองจะไม่เสียได้ชีวิตหรอกด้วยความหวงแหน แต่หลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่สนใจครับสมบัติไม่รักชีวิตตัวเองถ้าก็เลยเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีถ้าเป็นคนอื่นเหอสู้โจนโดนโจนฆ่าทิ้มไปแล้วก็ได้เพราะคนทั่วไปมักจะมองโลกในแง่ร้ายอยู่แล้วธรรมะของหลวงพ่อดีเนาะเนี่ยพวกญาติโยมสามารถไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เวลารออะไรนานแล้วก็ดีเนาะไม่เป็นไรไปไหนคือรถไม่ทันมั่งหรือไปไม่ทันนัด ผิดเวลาเราก็วางใจแบบก็ดีเนาะเจออะไรที่ขัดใจเราก็ดีเนาะใช้ได้ทุกสถานการณ์เจอแฟนดุดา่างหรือเจอเพื่อนขัดใจหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยดีเนาะได้หมดเรื่องหนักก็กลายเป็นเรื่องเบาเรื่องเบาก็กลายเรื่องหายไปใช้ได้ทุกสถานการณ์อันนี้คือการมองโลกในทางบวก แต่การมองโลดทางโบได้ก็ต้องก็ต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติมันมันไม่ดีเนาะหรอกมันก็คิดทางลบกลายเป็นเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างหลวงพ่อคำเขียนใครเขาใครเห็นท่านก็จะมีความสุขเพราะท่านจะมีบุคลิกที่เย็นแล้วก็มีเมตตาเมื่อก่อนตอนที่ท่านเป็นอุปชาท่านจะให้โอวาตถะใหม่อยู่เสม อ, อมาก็ฟังอยู่ด้วย ท่านจะชอบพูดคำว่าดีต่อดีเวลโยมมาพุทธรมะหลวงพ่อกชอบพูดว่าดีต่อดีเมื่อก่อนอามาฟังก็ไม่เข้าใจหรอกดีต่อดีคืออะไรพอตอนหลังอามาจึงรู้ว่าดีต่อดีเนี่ยก็คือบุญต่อบุญกุศลต่อกุศลสายพุทธกาลมีพระอาหารอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าพระอัสชิวันหนึ่งท่านเดินบิฏบาศก็มี มานบอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอุปติสะอุปติสะเห็นความสำรวมของพระสาชิแล้วเกิดการเลื่อมสายก็เลยตามมาระหว่างที่พระสาชิกําลังฉันอาหารอยู่ก็เข้ามาถามว่าใครเป็นครูของท่านพระสาชิีก็บอกพระพุทธเจ้าอุปติสะก็ขอธรรมะ พระสัีก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นพระนาวากะอย่าพูดธรรมะไม่เป็นท่านก็บอกพระพุทธเจ้าสอนทาทั้งหลายเนี่ยเกิดในเหตุสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาหลังจากฟังจบอุปติสสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบันทันทีแล้วก็หันมานับถือุทธศาสนาตอนนี้มั่นคงในพรณะตายแล้ว อุบัติศามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโกลิตะก็รีบไปบอกเพื่อนอยากให้เพื่อนบรรลุธรรมเหมือนตนมั่งพอไปเจอโกลิตะก็พูดแบบเดียวกับที่พระเสกชีพพูดสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาโกลิตะก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบาดเหมือนกันยงสังเกตไหยว่าดีต่อดีก็คือแบบนี้ที่เองเพราะความดีต่อความดี คนรรลธรรมแล้วก็บอกให้อีกคนหนึ่งบรรลุธรรมด้วยอุปทิศก็คือภาษารีบุตรโกริตะก็คือพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกทั้งซ้ายทั้งขวาของพุทธเจ้าช่วยเผยแผ่ธรรมะทาให้ศาสนามั่นคงอันนี้พกความดีต่อความดีแต่ความชั่วนีก็ต่อความชั่วนะอย่างสมมุติพวกพระเนี่ยสมมุติทําไม่มาทำํำขี่วัตดสงฆ์ขี้เกียจไม่มาทําวัดเช้าทําวัดเย็น เช้าเอนเพนนอนขําสัตว์บามา ก, ก็คือดูดูดูโทรทัศน์ดูหนังอันนี้เพราะจะถ้าญาติโยมเห็นปุ๊บก็จะเสื่อมก็จะไม่นับถือเพราะไม่ทําหน้าที่แต่ถ้าพระบวชเข้ามาเนี่ยทำหน้าทำหน้าที่ทํากิจวัตรสงฆ์นขนกวา่หาความรู้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันนี้ก็จะทําให้ศาสนาเจริญญาติโยมเห็นก็เกิดศรัทธา ไอ้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วก็จะศรัทธายิ่งขึ้นอันนี้ตรงันข้ามชั่วต่อชั่วดีต่อดีตรงกับที่หลวงพ่อ เ, อเขียนชอบพูดไว้ที่ทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จอย่างที่พระธาตุดอยสุเทพเนี่ยสมัยก่อนทางขึ้นดอยสุเทพละบากมากโยมเดินทางไปน้พัสการพระธาตุเนี่ยต้องใช้เวลาถึงห้าหกชั่วโมงตอนใส่ความเพียรมากครูบาศรีวิชัย ท่านเห็นความระบาดตรงนี้ท่านเลยชักชวนญาติโยมมาช่วยกันสร้างถนนขึ้นดอนสุเทพถนนนี้ยาวประมาณ11กิโลครึ่งพอท่าชักชวนปุ๊บญาติโยมเขาเกิดศรัทธามาร่วมกันสร้างถนนสมัยนั้นเครื่องมือก็ไม่ทันสมัยมีแค่จอบกับเสียมแล้วก็แรงงานทุกคนก็เต็มใจมาช่วยกันทำข่าวที่กระจายออไป ความดีต่อความดีทั่วทัภาคเหนือพวกญาติโยมก็ช่วนมากมายถนนเนี่ยสร้างวันที่9พฤศจิกายน2477เสร็จวันที่30เมษายน2478ใช้เวลาการสร้าง5เดือนกับ22วันอันนี้ถือว่าเร็วมากอันนี้เป็นความสามัคคีของความดีต่อความดีอย่างญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ย สามารถทำบุญได้หลายอย่างถ้าญาติโยม ว, ว, วางใจเป็นนะสิบอย่างให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือขนขวายแบ่งปันความดีอนุโมทนาบุญฝังธรรมแสดงธรรมแล้วก็ําฟความเห็นให้ถูกต้องตอนนี้พวกโยมกำลังทาอยู่ขณะนี้กำลังฟังธรรมที่อนมากาลังพูด ถ้ า, ยาโยมตั้งใจฟังโยมก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าโยมไม่ตั้งใจฟังเขาฟังแบบนกแก้วยกขุนทองฟังแล้วก็ผ่านไปประโยชน์ก็ไม่มีการฟังธรรมเนี่ยมีที่สองห้าอย่างคือหนึ่งโยมจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจากกมารมาพูดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเบื่อคนอื่นอาจจะมีสไตล์เป็นของตัวเองไอ้สองข้อที่สองเนี่ยบางครั้งโยมเคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว ก็ทําให้เข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นเพรางที่ฟังหลายๆครั้งกลับไปเริ่มดีนะฟังครั้งแรกอาจจะงงอย่างหลวงพ่อดีนะเนี่ยมาพูดครั้งที่สมแล้วพ่อมารู้ว่าหลวงพ่อดีนอขายไม่ได้สําหรับอุจขวะทองเพราะว่าหลวงพ่อดีนอมีจุดอยู่จุดหนึ่งคือจุดการมองโลกในแง่บวกบางคนอาจจะเคยได้ฟังอาตมาพูดแต่บางคนอาจจะไม่เคยได้ฟังอาตมาพูดอาตมาอกมีประโยชน์จึงนํามาพูดทุกครั้งแหละหลวงพ่อดีนอและสาม ทำให้บรรเทาความสงสัยเพราะโดยที่สัยคนทั่วไปอะ่ะจะมองที่สงสั ย, สง ส, ยสงสัยนู้นสงสัยนี่บางครั้งผู้พูดอะ่ะอาจจะพูดไปตรงใจเราปิงขึ้นมาเราหายสงสัยได้แล้วข้อที่สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องหรือความเห็นตรงเพราะธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรนักผลนิพพานมีหรือเปล่าธรรมะมีหรือเปล่า แต่ถ้าเราไปฟังธรรมบางทีผู้พูดเนี่ยสามารถพู้ได้โยมเนี่ยเชื่อได้ว่าบุญมีบาปมีกรรมมีนิพพานมีธรรมะมีเราสามารถเปลี่ยนทิฏฐิได้เรื่องทิฏฐินี่เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเราบิทิฏฐิที่ผิดเนี่ยมันพาเราไปแบบวัฏจักรสงสารยาวไกลยาวนานเลยอะบางคนเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ เชื่อว่าเรามีตัวมีตนจริงๆเราก็จะยึดบ้านตัวกูของกูแต่เราฟังธรรมะเราเข้าใจว่ามันเป็นหน้าตาบรรคับบัญชาไม่ได้คนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคสูญเสียจากของรักของชอบใจต้องตกอยู่ใต้โลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ มีสุขมีทุกข์มีสารเสริญมีดินทาอันนี้ทุกคนต้องเจออย่างเรื่องดินทาเนี่ยไม่มีใครไม่โดนดินทานะต่อยทาดีแค่ไหนคนไม่ชอบหน้าเหมือนก็ดินทาอันดินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอบช้ําเหมือนรอยมีดที่กีดหินแม้องค์ปริมาอย่งางราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคําดินทาอันนี้สุนทรผู้แต่งไว้ทุกคนต้องประสบ แล้วก็มีสุขแล้วมีทุกข์ที่จริงแล้วความสุขจริงๆไม่มีหรอกมีแต่ทุกข์น้อยแต่คนเราก็บริจัดว่าสุขเพราะคนเราเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องหิวเดี๋ยวต้องหนาวต้องร้อนเดี๋ยวต้องนอนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเรียบทเราสังเกตนะเราจะไปทุบบีบคันตลอดทั้งวันเลยแล้วอยู่ท่าเดิมไม่ได้หรอกแต่ว่าเราไม่มีสติเวลามันเปลี่ยนท่าเราก็ไม่รู้ มันจะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยนั่งไปเดี๋ยวก็ปวดร่างกายเราตั้งอยู่ด้วยความไม่เที่ยงอันนี้เป็นดรื่กับทุกคนอย๋าวพวกแม่ออกในที่นี้ส่วนมากอายุมากกวมามาจะเข้าใจตัวนี้จะเห็นความเสื่อมของสังขารเมื่อก่อนเราเคยสาวผมเราก็ดำหน้าตาก็ดีเดี๋ยวนี้จิงกาก็ขึ้นลึกผมก็งอกเรียวแรงก็เหนือเหลือน้อย ตาก็ฝ้าฟางหูก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเจ็บออดออดแอดออันนี้เป็นธรรมชาติเป็นความจริงเราไม่สามารถอีกความจริงพ้นถ้าเรายอมรับได้เราก็มีความสุขไม่ทุกข์เราก็ใช้ร่างกายนี้แหละทาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนะเราก็ไปเศษ ธ, ธรรมะไปเศษความแก่ความเจ็บวันไหน จ็ป่วยขึ้นมาแล้วก็โทร ด, ดูทดนี่พบโรคบางอย่างเนี่ยรักษาหายบางอย่างก็รักษาไม่หายแต่ว่าใจเราเนี่ยรักษาได้ให้ใจเราทุกน้อยหรือไม่ทุกได้อยู่อันที่สองการฟังธรรมข้อที่ห้าจิตของผู้ฟังย่อมแจ่มใสขณะที่ญาติโยมฟังอัลมาพูดเนี่ยถ้าตั้งใจฟังเนี่ยขณะตอนนี้นะนิวรก็ไม่ทํามารบกวน พวกกิเล์ต่างๆอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเนี่ยฟังไปก็เซ็งเมื่อยผู้พูดจะเลิกกันทีอันนี้ไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์ฟังไปเบื่อไปบุญกุศลก็ไม่มีพวกโยมจะสามารถแสงทำได้เวลาเห็นใครทุกคนอกหักอะ ที่ฆ่าตัวตายเราไปพูดปลอบเขาปลอบใจให้เขามีกำลังใจสู้ชีวิตอันนี้เราก็สามารถสร้างบุญทักุศลได้บอกบอกวัดไหนควรไปปฏิบัติธรรมแจกหนังสือบอกครูบาอาจารย์พวกธญาติโยกแสงทําได้หมดหรือฟังคนที่เขาทุกข์มากมาระบาย เราก็ออกฟังจนจบให้เขาได้ระบายอันนี้คือการแสดงธรรมเหมือนกันถ้าเราวังใจเป็นเราทำบุญได้ทั้งวันนะแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็จะเบื่อบุญก็ไม่ได้เกิดหรอกเดี๋ยวเราเห็นขยะเราก็ช่วยเก็บเห็นถนนหุนทางสกรปรกเราก็ช่วยฝาดเห็นเห็นกิ่งไม้แหลมๆมีหนามกลัวคนมาเกี่ยวลูกาตาเราก็เอาออกหรือเห็นเศษแก้วเราก็เก็บ กูคนไปเกลียบอันนี้คือการทําความดีพวกญาติโยมทําได้ตลอดหรือแม้กระทัพ่พูดจาเพ้อเพ้อ่อนน้อม อ, อ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่ก็เวลาเห็นใครทำความดีแล้วก็สาธุอนุโมทนาบุญด้วยถ้าเราเห็นคนทําความดีแล้วไม่สาธุเราก็ไม่ได้บุญเพราะสาธุมากๆเนี่ยใจเราก็เป็นกุศล ทำบ่อยๆจิตเราก็อ่อนน้อมแล้วก็แผ่เมตตาแบ่งปันความดีให้คนอื่นเขาบางครั้งถ้าเราทำความดีคนเดียวไม่แบ่งคนอื่นเนี่ยก็เหมือนอะไรเห็ น, หนกับตัวแล้วเขาอยู่ได้ทำความดีบ้างเราก็ลดความเห่กัตัวไปเนี่ยพุทธญาณโยมสามารถทําบุญได้ทั้งวันเลยแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมสร้างความรู้สึกตัวได้ พอถ้าเรามีสติชีวิตเราก็มีความสุขความทุกข์ก็น้อยลงเพราะจิตเราจะอยู่กับปัจจุบันไม่ค่อยไปโจมกับอดีตไม่ค่อยไปปุงแต่งเรื่องอนาคตอันพวกญาติโยมก็ต้องต้องทาความเพียรแล้วก็ต้องไม่ทอ้อแท้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพราะเดี๋ยวทำที่เราปฏิบัติเนี่ยจะให้ผล มาเห็นว่าพูดมาเนี่ยก็สมควรแก่เวลาขอท่องกรอยให้โยงฟังก่อ น, นึงก่อนที่หลวงพ่อพุทธทาสแต่งเมื่อกี้พระจารเกหมิงก็นำสวดมนต์อยู่กนพระเทกรัตสิ่งล่วงแล้วแล้วไปอย่าฝ่หาที่ยังไม่มาก็อย่าพึงขนึงหวังอันวาน ว, นวนานผ่านพ้นไม่วนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลย ผู้ใดเฟ้นเห็นชัดปัจจุบันเรื่องนั้นๆแจ่มกระจ่างอย่างเปิดเผยไม่งองงอนค่อนข้างดังเช่นเคยรู้แล้วเลยยิ่งเล้าเล่งก้าวไปวันนี้เองเล่งกระทาซึ่งหน้าที่อันวันตายแม้พรุ่งนี้ใครรู้ได้เพราะไม่อาจบอกปัดหรือผัดไว้ต่อความตายและมหาเสนามันผู้มีเพียรเวียนไปอยู่เช่นนี้ ทั้งที่พาลาตีแข็งขันนั่นแหละพัะเทกรัฐอันสัตบุรุษผู้รู้ท่านกล่าวกันเอ่ยขอความสุขความเจริญงมแก่ญาติโยมทุกท่านสาธุ